ถ้าไม่มีเสคิ ย, ยวัตมันจะทำยังไงมีต่อป ต, อตอไปก็คนนั้นตัดคนนี้ตัดอย่ยังเหมือนยูเอ็นพูดให้หลวงพ่อฟังอยู่ทางโน้นอยู่ทางซำเหนืออยู่ทางจีนอยู่ทางยู่นานไปดูซิโอ้ยผมว่าเนี่ยต่อไปนี่พูดในพระไตรปิฎกว่า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 แต่จะถอดถอนก็ให้ถอดถอนได้ท่านสั่งพระอนุนถามพระอนุนว่าท่านอนุนได้ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าอาบัหยุมหยิมเล็กน้อยนั้นได้หมวดใดหมวดไหนกลุ่มไหนเิ็คขาบทไหนที่ที่ว่าจัดว่ายุมหยิมพระอนุนก็เรียนกับคณะสงฆ์ว่ากับผมในช่วงนั้นจิตใจว้าวุ่น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 เราจะได้ศึกษานะเราจะได้เรียนรู้นะ อ, นนนะอันนี้การนี้ก็คล้ายๆบอกเป็นแนวทางเอาไว้สำหรับพวกเราเพราะเราเกิดมาในโลกเนะี่ยมันมีหูสองข้างใช่ไหมละ่ะฟังหูไว้หูมองแล้วก็มองต า, น ห, นงตานหนึ่งตาหนึ่งเหลวไวสก่อนเรียกว่าตาหนึ่งเหลตาหนึ่งตานหนึ่งมองนะมีแต่ใจใจเดียวเนทะ่านั้นมันพูด เออมันคิดยังไงนะใจของฟังไว้ทำความสงสัยเอาไว้อย่าไปเชื่อทีเดียวให้ทำความสงสัยเอาไว้คำว่าสงสัยคำนี้แหละบอกเกิดแห่งปัญญานะถ้าอะไรมีตตมพูดออกมาก็เชื่อทั้งหมดรับทั้งหมดอันนั้นแปลว่าโง่นะโง่